พรปิดกภาษาไทยเฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเล่มที่สี่สิบห้าพระอภิธรรมดปิดกเล่มที่สิบสองประธานภาคหกพระอภิธรรมดปิดก ธรรมปัจจนิยะตึกกะปัฏฐานขอโนอบโนมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งกุศลตึกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจญาจะจตกนัยในเหตุปัจจัยและอรมณะปัจจหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามที่เป็นอกุศ ล, ซ, retired, ล, ศล ซ, ham, ซึ่งเป็นอัพยกฤิและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอัพยกฤิเกิดขึ้นละถึงขันสองและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจ si ัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยกฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล เกิดขึ้นพระเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอยากฤศอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตยใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใมีห้าวาระ 2. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใ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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระสสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอคุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพญากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพญากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิญากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพญากฤต เกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยมีหกวาระ 4. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพญากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล และที่ไม่เป็นอ coastal, <St ate> ัภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมท Salt, ี่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีห้าวาระห้า สภาวธรรมที terror, ่ไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยกฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยกฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยกฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยกฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤิทเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีห้าวาระหสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล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 อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยย่อเจเหตุ ป, ปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอารมณะปัจจัยมียี่สิบสวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระชาชาตวาระปัจจยาวาระนิสยวาระสังสัถาวาระและสัมปยุตตะวาระ เหมือนกับปฏิจจวาระหนึ่งกุสลติกะเจปัญหาวาระปัญญจจะตุกนาอเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยเป็นต้น 8. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลโดยอารมณปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลโดยรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพญากฤิตโดยรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภิญากฤิตโดยรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศล และที่ไม่เป็นอัภยากฤตโดยอรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลโดยอรมณปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลโดยอรมณปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัภยากฤิเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยกฤิ โดยอรมณะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภพยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลโดยอรมณปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอักุศลและที่ไม่เป็นอภิยกฤษตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลโดยอรมณปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลโดยอารมณปัจจัยมีหกวาระเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลโดยทุติปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัย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 เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลโดยปเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลโดยปเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลโดยปเรชาตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศล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 เหตุปัจจัยมี29วาระอรมณะปัจจัยมี36วาระอธิปติปัจจัยมี35วาระอานันตระปัจจัยมี34วาระสมนันตระปัจจัยมี34วาระสหชาตะปัจจัยมี29วาระอัญญมัญญะปัจจัยมี24วาระนิสียปัจจัยมี34วาระอุปาณิสียปัจจัยมี36วาระ ปุเรชาตปัจจัยมี18วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี18วาระอสิวะณปัจจัยมี24วาระกรมมปัจจัยมี25วาระวิปากปัจจัยมี9้าวาระอาหาราปัจจัยมี25วาระละถึงสัมปยุตตาปัจจัยมี24วาระวิปยุตตาปัจจัยมี2ีวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมี24วาระ พึงนับเหมือนอนุโ ล, ลมปัจจนิยะอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจนิยะนุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสลตึกะที่นับไว้แล้ว 2. เวทนาตึกะหนึ่งปฏิจจวาระ 11. ส, สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจใจสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธด้วยทุกขเวทนา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 และอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่มิสัมปยุทธิสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิสัมปยุทธิสุขเวทนาและทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่มิสัมปยุทธิสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิสัมปยุทธิสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่มิสัมปยุทธิสุขเวทนา เกิดขึ Heart, ้นเพราะเหตุป e th e hi ัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปจาใจมีเจดวาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปจาใจมีเจ็ดวาระย่อเหตุตุปัจใจมีสี่สิบก้าวาระละถึง อวิคตปัจใจมีสี่ส er ิบเก้าวาระสามวิปากติกะหนึ่งปฏิจจวาระสิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากเกิดขึ้นพระเหตุตัปัจใจและถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นพระเหตุตปัจจัยละถึง สภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุ ป, ปัจจัยย่ อ, อสิบสามเหตุตุปปจใจมีสามสิบสองวาระอารมณ์ปัจจัยมียี่สิบเจดวาระอธิปติปัจจัยมียี่สิบห้าวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีสามสิบวาระละถึง ปุเรชาตะปัจจัยมี24วาระอาศัยวณะปัจจัยมี17วาระละถึงวิปากะปัจจัยมี25วาระอวิคตะปัจจัยมี32วาระ4อุปาทินาติกะ1ปฏิจจวาระ14สภาวธรรมที่ไม่ใช่คำแอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยืดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 สภาวธรรมที cards, iles, ithe, saker, ithe, type, ่มิใช่คำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กรำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยย่อสิบห้าเหตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอาริมณะปัจจัยมียี่สิบสี่วาระอธิปติปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระละถึง อาเสวณะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระละถึงอวิคตะปัจใจมียี่สิบเ้าวาระห้าสังขีริธาตุกะหนึ่งปฏิจจวาระสิบหสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมอง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 อ ร, รมณะณปัจใจมียี่สิบสีวาระและถึงวิปากะปัจใจมียี่สิบอดวาระและถึงอวิคตะปัจใจมียี่สิบเก้าวาระ 6. วิตตะกติกะหนึ่งปฏิจจาวาระสิบแปสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารน่าัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจใจ สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อสิเหตุตุปัจจมีสี่สิบวาระอารมณปัจใจมีสี่ส้าวาระ อธิปฏิปัจจัยมี47วาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมี44วาระอาศัยวณปัจจัยมี44วาระและถึงอวิคตาปัจจัยมี48วาระ 7. ปีติติกะ 1. ปฏิจจวาระ20สภาวธรรมที่มิฉลองรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่มิฉลองรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย ละถึงอาศัยสภาวธรรมที่ไม่โสหรโคตด้วยสุขละถึงอาศัยสภาวธรรมที่ไม่โสหรโครโดเบขายอ่อเหตุปัจจัยมี่สิบเ้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสี่สิบเ้าวาระ 8. ทัศนติกะหนึ่งปฏิจจวาระยี่สิเอ็ดละถึงอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมัคบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมัคบื้องบนสามยอ่อเหตุปจัจใจมียี่สิบเก้าวาระอารมณะปะจัจใจมียี่สิบสี่วาระและถึงวิปากะปะจัจใจมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปะจัจใจมียี่สิบเก้าวาระเกทัศนะเหตุติการ หนึ่งปฏิจจวาระยี่สิบสองละถึงอาศัยสภาวธรรมที่มีเหต <c oughs> ุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคต์อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคตและมรรคเบื้องบนสามย่อเหตุตปัจจัยมีสามสิบเอ็ดวาระอาริมณปัจจัยมียี่สิบปดวาระ อธิปติปจัจใจมียี่สิบเก้าวาระละถึงวิปากะปะจัจใจมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปะจัจใจมีสามสิบเอ็ดวาระสิ 10. อาจยะกามิติกะหนึ่งปฏิจจวาระยี่สิบสามละถึงอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานย่อเหตุ ป, ปัจจมียี่สิบเก้าวาระอารมณะปัจจมียี่สิบสี่วาระและถึงวิปากปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจมียี่สิบเก้าวาระ สิเอ็ดเศราดีกะหนึ่งปฏิจจวาระยี่สิบสี่ละถึงอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของอาศิขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอาศขาบุคคลย่อเฮตุปัจจัยมียี่สิบเ้าวาระอารมณะปัจจัยมียี่สิบสี่วาระและถึง uh, อาศยวณะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระละถึงอวิคตตะปัจจัยมียี่สิบห้าวาระสิบสองปริตะติกะหนึ่งปฏิจจวาระยี่สิห้าละถึงอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหาคตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอปมานะยอ่อเทตุ ป, ปัจจัยมีสาสิบสองวาระ อารามณะปัจจัยมี27วาระอธิปฏิปัจจัยมี27วาระละถึงอัญญมัญญปัจใจมีสามสิบวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมี24วาระอาสิวนปัจจัยมี24วาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี32วาระ 13. ปริตารามณติกะ 1. ปฏิจาวาระ26 ละถึงอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมหคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอ ป, ปมาณะเป็นอารมณ์ยอ่อเหตุ ป, ปัจใจมีสี่สิบห้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสี่สิบห้าวาระสิบสี่หินเนติกะหนึ่งปฏิจจวาระยี่สิบเจ็ดละถึง อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นปราณียอ่เอเหตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอารมณะปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากปจจา ะ, ะ, ะปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระละถึงอวิคต ะ, ะ 1. ปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระสิบห้ามิจฉาติกะหนึ่งปฏิจจวาระ ละถึงอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นย่อเหตุปัจจัยมียี่สิบเ้าวาระอารมณะปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีห้าวาระละถึง อวิคตตปัจใจมียี่สิบเก้าวาระสิบหมัคคารมณติดืกหนึ่งปฏิจจาวาระยี่สิบเก้าละถึงอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมัคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมัคเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมัคเป็นอธิปดียอ่อเหตุปัจใจมีสี่สิบเก้าวาระละถึงอวิคตตปัจใจมีสี่สิบก้าวาระ อุปันนาติกะหนึ่งปฏิจจาวรรสมาสิสภาวธรรมที่ไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้นอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จกเกิดขึ้นแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้นและที่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นแน่นอน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 ส ภ, สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอดีตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอดีตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยเมียกลาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยเมียกลาวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอดีตเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอดีตโดยเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอดีตเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอนาคตโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที kingdom, ่ไม่เป็นอดีตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตและที่ไม่เป็นอนาคตโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนาคตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอนาคตโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนาคตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนาคตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีต และที่ไม่เป็น frosting, อนาคตโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตและที่ไม่เป็นอนาคตเป็นปัจจัยแห่ history. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตและที่ไม่เป็นอนาいいคตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอนาคตโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตและที่ไม่เป็นอนาคตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตและที่ไม่เป็นอนาคต โดยเหตุปัจจัยย่อ32สองเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณ์ปัจจัยมี18ดวาระอธิปติปัจจัยมีสิบดวาระและถึงเนสียปัจจัยมีเก้าวาระอุปาเนสียปัจจัยมีสิบดวาระบรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระ19 อตีตารมณติกะหนึ่งปฏิจจวาระสามสิบสามละถึงอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีสี่สบเ้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสี่สิบเ้าวาระยี่สิบ อาชตะตตติกะหนึ่งปฏิจจวาระสามสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสองาวาระและถึงอวิคตะปัจจัย inside. มีสองวาระ 21อ็ดอาชะตารมณติกะหนึ่งปฏิจจวาระ 108. สาสหสภาวธรรมที่ไม <mel sells Oil> ่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยย่อเหตุปปัจจใจมีกลาวว่าและถึงอวิคตะปัจจใจมีกลาวว่ายี่สิบสอง ส น, สนิทันติกาหนึ่งปฏิจาวาระสาสิหสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาิษฐาสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุถปัจจัยสภาวธรร ม, ท, มที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยาสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้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 สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสาสิบเจสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้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 สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่ไ <ส Liberty. S 2> ม่ใช<ล> <ส vain. S 1> ่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสามสิบแปด สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได <vit> ้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้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 ย่อสสิเเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระอารมณะปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมี2 5้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามสิบวาระพึงนับเหมือนสหชาติวาระปัจจิยะวาระนิสยวาระสังสถัวาระสัมปยุตตวาระและปัญหาวาระในกุศลเิกะ ที่นับไว้แล้วธรรมปัจจนียติกะประธานจบ